3. รายละเอียดของกรรมสิบสองเมื่อกรรมนำไปปฏิสนธิในภพใหม่คือคนที่ทำกรรมดีไว้ย่อมไปเกิดในภพที่ดีคนที่ทำกรรมชั่วไว้มากไปเกิดในภพที่ชั่วกรรมที่ส่งให้เกิดนั้นเรียกว่าชนก ก, ก, กรรมชนกหมายถึงให้เกิดสมมติว่าชนก ก, ก, กรรมฝ่ายดีส่งเข้าให้เกิดในตระกูลที่ดี มั่งข้างด้วยทรัพย์สินสมบัติและบริวารมีตระกูลสูงเขาเกิดเช่นนั้นแล้วไม่ประมาทมันหาทรัพย์เพิ่มเติมรักษาทรัพย์เก่าให้มั่นคงมีความเคารพบ น, บนอบนอบ้อมต่อผู้ควรเคารพถนอมน้ำใจบริวารด้วยการสงเคราะห์เอื้อเฟื้อพูดจาไพเราะทำประโยชน์ให้และวางตนเหมาะสมการกระทาเช่นนั้นเป็นอุปถัมภกะกรรม ช่วยส่งเสริมผลของกรรมดีเก่ารวมกับกรรมใหม่ทําให้เขามั่งข้างมากขึ้นมีบริวารดีมากขึ้นตรงกันข้ามถ้าเขาได้ฐานะเช่นนั้นเพราะกุศลกรรมในอดีตส่งผลให้แล้วเขามัวเมาประมาทพลานทรัพย์สินด้วยอบยมุกนานาประการเช่นเกียรติคร้านทําการงานและคบมิตรเลวเป็นต้นกรรมของเขานั้นมีสภาพเป็นอุปปีกกรรม บีบคั้นเขาให้ต่ำต้อยลงจนสิ้นเนื้อประดาตัวบริวารก็หมดสิ้นถ้าเขาทำชั่วมากขึ้นกรรมนั้นจะกลายเป็นอุปคาตกรรมตัดรอนผลแห่งกรรมดีเก่าให้สิ้นไปกลายเป็นคนล่มจมสิ้นความรุ่งเรืองในชีวิตอีกด้านหนึ่งสมมติว่าบุคคลผู้หนึ่งเกิดมาลำบากยากเขียนขัดสนทั้งทรัพย์และบริวารรูปร่างผิวพรรณก็ไม่งาม เพราะอคุโสลกรรมในชาติก่อนล้อมตัวเป็นชนกกรรมฝ่ายชั่วเมื่อเกิดมาแล้วข้าประกอบกรรมชั่วซ้ำเขาอีกกรรมนั้นมีสภาพเป็นอุปถรรมพรกรรมช่วยสนับสนุนกรรมเก่าให้ทวีแรงขึ้นทำให้ฐานะของเขาซุดหนักลงไปกว่าเดิมแต่ถ้าเขาผู้เกิดมาต่ำต้อยเช่นนั้นแล้วไม่ประมาทอาศัยความเพียรพยายามในทางที่ชอบ ถือเอาความอุตสาหะเป็นแรงหนุนชีวิตรู้จักคบมิตร ด, ดีกรรมของเขาานะมีสภาพเป็นอุปปีลากากรรมบีบขั้นผลของอกุศลกรรมเก่าให้เพลากําลังลงมีความเพียรในทางที่ชอบมากขึ้นขนขวายในทางบุญกุศลมากขึ้นกรรมของเขาแปลสภาพเป็นอุปคาตกรรมหรืออุปเฉถากกรรมตัดรอนผลแห่งอกุศลกรรมเก่าให้ขาดสูญ จนในที่สุดเขาเป็นคนตั้งตนได้ดีมีหลักฐานมั่นคงที่กล่าวมานี้คือกรรมที่จัดตามหน้าที่หรือกล่าวอีกในหนึ่งว่าหน้าที่ของกรรมซึ่งมีลักษณะหน้าที่ให้เกิดอุปถัมบีบคั้นและตัดรอนส่วนการที่ให้ผลและแรงหนักเบาของกรรมนั้นมีความสัมพันธ์กันมากคือกรรมหนักหรือครุกรรมทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่ว จะให้ผลในปัจจุบันทันตาเห็นหรือทิฏฐธรรมเวทนาส่วนกรรมที่เป็นอาจินหรือพะหัวลกรรมนั้นถ้ายังไม่มีโอกาสให้ผลในชาติปัจจุบันก็จะยกยอดไปให้ผลในชาติถัดไปหรืออุปัชชาเวทนีและชาติต่อๆไปหรืออปราประเวทนีสุดและแต่โอกาสที่ท่านเปรียบเสมือนสุนัขไล่เนื้อท่านเข้าเมื่อใดกัดเมื่อนั้น กรรมที่บุคคลทําเมื่อจวนสิ้นชีวิตหรืออสัญกรรมนั้นมักให้ผลก่อนกรรมอื่นเพราะจิตไปหน่วงอารมณ์นั้นไว้แน่นไม่ว่าเป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายชั่วกรรมนั้นใกล้จุติจิตและใกล้ปฏิสนธิจิตท่านว่าแม้บางคราวจะมีกําลังน้อยก็ให้ผลก่อนกรรมอื่นเปรียบเหมือนรถติดไฟแดงเมื่อไฟเขียวอันเป็นสัญญาณให้รถไปได้เปิดขึ้น รถคันหน้าแม้มีกำลังวิ่งน้อยก็ออกได้ก่อนพอผ่านสี่แยกไปแล้วรถที่มีกำลังดีกว่าย่อมแซงขึ้นหน้าไปได้ในตำราท่านเปรียบผลของอาสันกรรมว่าเหมือนวัวที่ขังรวมกันอยู่ในคอกรุ่งเช้ามารอกันอยู่ที่ประตูคอกพอนายโคบานหรือคนเลี้ยงโคเปิดประตูคอกวัวตัวใดอยู่ใกล้ประตูที่สุด จะเป็นแม่โคลูกโครหรือโคแก่ก็ตามย่อมออกมาได้ก่อนแต่เนื่องจากกำลังเพลาพอออกมาในที่โล่งแล้ววัวตัวใดมีกำลังมากวัว น, นั้นย่อมเดินขึ้นหน้าไปผลของอสันกรรมให้ผลก่อนก็จริงแต่ให้ผลระยะสั้นเมื่อสิ้นแรงของอสันกรรมแล้วก็เป็นโอกาสของอาจินกรรมหรือพหุลกรรมคือกรรมที่ตนทาจนเคยชิน ทำจนเป็นนิสัยส่วนกรรมที่ทำโดยไม่เจตนาที่เรียกว่ากระตัดตากรรมหรือกระตัดตาวาปนากรรมสักแต่ว่าทำนั้นให้ผลน้อยที่สุดกำลังเพล่าที่สุดเมื่อกรรมอื่นไม่มีจะให้ผลแล้วกรรมนี้จึงจะให้ผลเป็นเหมือนนี่รายย่อยที่สุดกรรมใดคอยโอกาสให้ผลอยู่แต่ไม่มีโอกาสเลยจึงเลิกแล้วต่อกันไม่ให้ผลอีก กรรมนั้นเรียกอโหสิกรรมเปรียบเหมือนเมล็ดพืชที่เก็บไว้นานเกินไปหรือถูกกู้ให้สุกด้วยไฟเสร็แล้วไม่มีโอกาสงอกขึ้นได้อีกเรื่องนี้มีรายละเอียดเพิ่มเติมตอนที่ว่าด้วยกรรมจะหยุดให้ผลด้วยเหตุสามประการข้างหน้ากรรมเป็นเรื่องสลับซับซ้อนมากแต่ผู้มีปัญญาก็พอตรองตามให้เห็นจริงได้เพราะคาสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่ยากเกินไป จนตรองตามด้วยปัญญาแล้วก็ไม่เห็นและไม่ง่ายเกินไปจนไม่ต้องตรองตามก็เห็นกรรมบางอย่างบุคคลทําโดยไม่เจตนาก็จริงแต่ก่อผลสุขและทุกข์ให้แก่ผู้อื่นได้ผู้ทํากรรมเช่นนั้นย่อมได้รับผลตอบแทนมาในทํานองเดียวกันคือได้รับสุขหรือทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นโดยปราศจากเจตนาของผู้อื่นเช่นเขายิงนกแต่ไปถูกคนเข้า หรือเขายิงคนอื่นพลายไปถูกอีกคนหนึ่งโดยเหตุบังเองิญนี่เป็นผลแห่งกระตัดตากรรมบุคคลหนึ่งโยนก้อนหินลงไปทางหน้าต่างบังเอิญก้อนหินนั้นไปถูกคนหนึ่งเข้าหัวแตกกรรมของเขาเป็นกระตัดตากรรมเมื่อถึงคราวที่กรรมนี้จะให้ผลย่อมให้ผลในทำนองเดียวกันในฝ่ายดีเช่นบุคคลผู้หนึ่งเอาของเหลือไปเททิง้ง ไม่ได้ตั้งใจจะให้ใครแต่บังเอิญสุนักมาได้อาศัยกินรอดชีวิตไปได้กรรมนั้นของเขาเป็นกระตัดตากรรมเมื่อถึงคราวจะได้รับผลแห่งกรรมนั้นย่อมได้รับในทํานองเดียวกันจริงอยู่พระพุทธองค์ตรัสว่าเจตนาหังพิกเวกัมมังวทามิภิกษุทั้งหลายเรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมนั้น หมายเอากรรมอื่นทั้งพวงยกเว้นกระตัดตากรรมกรรมอย่างเดียวทำหน้าที่หลายอย่างบางทีกรรมอย่างเดียวกันนั่นเองเรียกชื่อต่างออกไปตามหน้าที่การและความหนักเบาตัวอย่างเช่นการฆ่ามารดาบิดาจัดเป็นกรรมหนักหรือครุกรรมเมื่อให้ผลในปัจจุบันเช่นถูกฆ่าตอบหรือต้องถูกจองจาได้รับทุกทรมานในชาติปัจจุบัน พอเขาสิ้นชีพลงไปเสวยทุกข์ในนรกกรรมนั้นเป็นอุปัชชาเวทนิยกรรมกรรมนั้นเที่ยวติดตามให้ผลอยู่พบแล้วพบเล่ากรรมนั้นเป็นอั ป, ปราประเวทนียกรรมเมื่อให้ผลจนเต็มที่แล้วสมควรแก่เหตุแล้วก็เลิกให้ผลหรือผู้ทากรรมนั้นสำเร็จเป็นพระอราหันต์เสียก่อนสิ้นชาติสิ้นพบแล้วกรรมนั้นตามให้ผลไม่ได้อีก จึงกลายเป็นโอหสิกรรมเปรียบเหมือนบุคคลคนเดียวเรียกได้หลายอย่างเช่นเป็นลูกของพ่อแม่เป็นพ่อของลูกเป็นสามีของพันยาเป็นนายของลูกน้องเป็นครูของลูกศิษย์เป็นต้นกรรมที่บุคคลทำแล้วจะให้ผลครั้งเดียวพ้นไปก็หาไม่ย่อมตามให้ผลครั้งแล้วครั้งเล่าชาติแล้วชาติเล่าจนกว่าจะสิ้นแรงหมดไป เปรียบเหมือนต้นไม้ที่บุคคลปลูกไว้เพียงครั้งเดียวแต่ให้ผลเป็นร้อยๆยครั้งจนกว่าจะตายไปส่วนอาสนกรรมคือกรรมที่บุคคลทำเมื่อจวนตายจะเป็นฝ่ายดีฝ่ายชั่วก็ตามที่ว่าให้ผลก่อนนั้นเพราะมีช่วงใกล้ชิดกับการปฏิสนธิในภพใหม่จึงให้ผลทันทีในขณะที่บุคคลเคลื่อนจากภพเก่าสู่ภพใหม่นั่นเอง แต่ให้ผลนริยะสั้นดังกล่าวแล้วการตามให้ผลยั่งยืนเป็นหน้าที่ของอาจินกรรมคือกรรมที่บุคคลทำเป็นประจำสมมติว่าบุคคลผู้หนึ่งทำความดีด้วยกายวาจาใจเป็นอันมากมันประกอบบุญกุศลตลอดชีวิตแต่ชีวิตบุทุชนย่อมเคยประกอบกรรมชั่วมาบ้างไม่มากก็น้อยถ้าในขณะใกล้ตาย เขาไม่ได้ระลึกถึงบุญกุศลของเขาเลยกับระลึกแต่บาปเล็กน้อยที่เคยทำแรงบาปนั้นจะให้ผลทันทีส่งให้เขาถือปฏิสนธิในกำเนิดที่ต่ำาซามเช่นนรกหรือกำเนิดสัตว์เดรัจฉานหรือถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะลำบากยากเขียนอยู่ชั่วระยะหนึ่งเพียงเจ็วัน15หวันหรือหนึ่งเดือนหนึ่งปีเป็นอาทิ แล้วผลแห่งอกุศลกรรมนั้นจะหมดกำลังเปิดโอกาสให้ผลบุญกุศลที่เขาเคยสั่งสมไว้เป็นประจำให้ผลต่อไปเขาจะประสบความสุขความเจริญได้ที่พึ่งที่พักพิงอย่างดีและมีความสุขตลอดชีวิตใหม่ในทางตรงกันข้ามบุคคลอีกผู้หนึ่งทําความชั่วเป็นอาจินแต่ถึงกระนั้นเขาก็เคยทากรามดีมาบ้างไม่มากก็น้อย เมื่อเวลาจวนตายเขาะระลึกถึงแต่กรรมดีที่เคยทําเช่นเคยถวายอาหารแด่พระสงฆ์เคยช่วยเหลือคนเจ็บเคยชั่วชีวิตสัตว์ให้รอดตายเป็นต้นเขาไม่ได้ะระลึกถึงกรรมชั่วะระลึกถึงแต่กรรมดีนั้นหรือญาติพี่น้องให้เขาได้ให้ทานรักษาศีลเจริญพระพุทธคุณในขณะนอนเจ็บเตรียมตัวตายอยู่เขาะระลึกถึงแต่ความดีแม้เพียงเล็กน้อยนี้ หากตายลงในขณะจิตเช่นนั้นเขาจะต้องไปถือปฏิสนธิในกําเนิดที่ดีก่อนแต่เนื่องจากผลแห่งกรรมดีน้อยมากจึงหย่อนกําลังให้ผลเพียงเล็กน้อยแล้วหมดจึงเปิดโอกาสให้กรรมชั่วต่างๆที่เขาเคยทำไว้รุมล้อมให้ผลต่อไปทำให้เขาต้องรับทุกขเวทนาประสบความเสื่อมต่างๆแม้เขาพยายามทาดีมากที่สุด แต่รรงแข็งอุปสงกรรมในอดีตคอยรังควานให้รังคาเดือดร้อนอยู่ร่ำไปเพราะไม่มีแรงใดเสมอด้วยแรงกรรมคนที่ความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏกรรมที่ทำเมื่อโจนตายมีความหมายมากสำหรับเขาเหมือนแผ่นกระดาษที่ว่างเปล่าสีอะไรตกลงไปก็เด่นชัดมาก 4. การมองไม่เห็นกรรม กรรมดีหรือชั่วจะคอยติดตามบุคคลผู้ทำอยู่เสมอเหมือนเงาตามตัวแต่การที่คนมองไม่เห็นการตามของกรรมก็เพราะดำเนินชีวิตอยู่ในทางมืดเหมือนบุคคลไม่เห็นผู้ติดตามตนอยู่ในที่มืดพอเข้าสู่ที่สว่างถ้าเข้าเหลียวไปมองย่อมเห็นได้บุคคลที่ได้รับการอบรมจิตให้สงบสะอาดและสว่างขึ้นเท่าใด ก็จะยิ่งมองเห็นกรรมและผลของกรรมละเอียดประเนีตขึ้นเท่านั้นแต่กรรมจะให้ผลก็ต่อเมื่อสุก ง, งอมเต็มที่แล้วมันมีระยะฟักตัวตามสมควรบุคคลผู้มีปัญญาน้อยจึงเห็นได้ยากอันหนึ่งชีวิตของมนุษย์สั้นเกินไปเพียงชีวิตเดียวไม่เพียงพอในการพิสูจน์กรรมให้ตลอดได้การฟักตัวของกรรมก็เหมือนการมีคันของสตรีเมื่อครบกําหนดจึงคลอด หรือเหมือนการสุก ข, ของผลไม้ย่อมต้องอาศัยเวลาตามสมควรการรอคอยของกรรมอาจใช้เวลาเป็นร้อยปีพันปีหรือหมื่นปีก็ได้แม้รอคอยนานถึงปานนั้นและมีความสลับซับซ้อนมากเพียงใดกรรมก็สามารถหาตัวผู้ทำได้ถูกต้องเสมอท่านเปรียบเหมือนลูกโคแม้จะรวมอยู่ในฝูงโคเป็นอันมากก็สามารถหาแม่ของมันพบ หรือเหมือนเด็กที่รู้เดียงสาแล้วย่อมจําแม่ของตนได้ดังนั้นผู้ทํากรรมดีย่อมได้รับผลดีเป็นเครื่องตอบแทนผู้ทํากรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วการที่บุคคลลังเลสงสัยในเรื่องนี้ก็เพลาะไปตัดสินเอาตามปรากฏการบางอย่างภายนอกอันมีลักษณะเป็นมายาหลอกหลอนคนที่ทาความชั่วไว้มาก ความชั่วจะคอยรบกวนจิตใจของเขาให้กังวลอยู่เสมอแม้จะปรากฏแก่คนอื่นให้ดูเหมือนว่ามีความสุขแต่ภายในใจของเขาเองใครจะเป็นคนรู้ว่ามีสุขทุกขอันใดทับถมอยู่บ้างคนที่ชอบบ่นว่าทำดีไม่ได้ดีนั้นอาจเป็นเพราะเขาทำดีไม่ถูกต้องหรือทำดีไม่เป็นหรือมิฉะนั้นก็ใจร้อนเกินไปตีโพยตีพายอยากได้ผลเร็วๆ ในขณะที่ความดียังไม่ทันให้ผลการทำดีเป็นหน้าที่ของบุคคลผู้รักดีส่วนการให้ผลเป็นหน้าที่ของกรรมเหมือนการไถหวานเป็นหน้าที่ของชาวนาส่วนการออกรวงเป็นหน้าที่ของต้นข้าวย่อมออกรวงตามเวลาอันสมควรเมื่อยังไม่ถึงเวลาอันสมควรจะอ้อนวอนสักเท่าไหร่ก็หาสมปรารถนาไม่ แต่พอถึงเวลาออกรวงใครจะอ้อนวอนไม่ให้ออกก็ไม่ได้เรื่องการให้ผลของกรรมก็ทำนองเดียวกันนี้ผลของกรรมชั่วคอยติดตามบีบคั้นส่วนผลของกรรมดีคอยติดตามประคับประคองช่วยเหลือผู้ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตรการมองชีวิตต้องมองในระยะยาวและกว้างไกลจึงจะเป็นวิถีชีวิตโดยตลอด